ควางธรรมนั้นเป็นส่วนประกอบกับการกระทำของพวกเราเวลานี้เรามาพึกตนสอนตนถ้ามีสติตื่นรู้ในกายเอากายมาเป็นเครื่องตื่นรู้ตามกรรมฐานวิชากรรมฐาน ทัวตัวไปกรรมฐานอันใดที่ไม่ใช่รู้ศึกตัวเราไม่ไม่ค่อยจะได้ผลไปนั่งตัวแข็งไปนั่งสงบ <c oughs> ไม่ตื่นรู้มีมานานแล้วก่อนพุทธการเวลานี้เรามาตื่นรู้ไปในกาย สติอินทรีนี่มันมากปัญเจก้าไปในกายอะไรที่เกิดขึ้นกับกายจะเป็นอาการต่างๆก็ให้ตื่นรู้อย่าให้เข้าไปเป็นความปวดความเมืยความร้อนความหาวความหิวไย เห็นเรากลับมารู้สึกตัวจะให้ความเจ็บเป็นเจ็บให้ความสุขเป็นสุขให้ความทุกข์เป็นทุกข์ให้ความร้อ น, เ ป, นเป็นความร้อ น, น, าอนอ่าให้จบตรงนั้นให้จบอยู่ที่ภาวะที่รู้สึกตัวอินทรีย์แห่งสตจจงิแจก้าวขึ้นใจก้าวพระเปลี่ยนอะไรมาเป็นการตื่นรู้ มัก็ได้อาหารทางกิจวิญญาณอาหารของรูของกายที่เป็นเลือดเป็นเนื้อได้จากกาวาเลงกระหารได้จากอาหารข้าวข้าวเกินลงไปในลำคอก า, ารตื่นรู้เป็นการกลืนลงไปในชีวิต <c oughs> ได้จากที่เสียที่ไม่ใช่ความรู้ความรู้สึกตัวเป็น ทาหารใจเขาว่าได้ใ <c> น <oughs> จชิงตุกตนฉอนตนให้รู้จักตัวไปนในกายเอากายมาเป็นวัสดุประกอบให้เกิดความรู้ขึ้นมาในส่วนใดส่วนหนึ่งหยาป้ากกาลางว่างละเอียดว่างั <c oughs> ดรม นอกจากการตื่ปปนรู้บรรยาการตื่นรู้ในสุขในทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเรียกว่าเวทนาให้มันไปใต้บทเรียนจากสุขจากทุกข์ให้เป็นภาวะที่รู้ภาวะที่ตื่นรู้ในสุขในทุกข์คือมันเห็นสุกเหินทุกข์ไม่ใช่สัตว์ปุกรโถตนหลอกหออย่าเข้าไปเป็น เป็นตัวเป็นตนเป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกข์เป็นผู้เกิดผู้ปวดเหินตื่นรู้มันไม่เป็นอะไรตนการรักษาชีวิตชีวิตจริงๆมันได้จากการตื่นรู้มันช่วยได้จากเลือดเนื้อเดินเดินนั่งนอนได้ มันถ้าได้จากเลือนเรื่อยยนเดินนั่งนอนเป็นรูปเป็นนามมันเกิดเจ็เจ็บตายชีวิที่เกิดจากการเกิดรู้เนี่ยมันไม่เกิดไม่เจ็ไม่เจ็ไม่ตายมันเห็นมันไม่เข้าไปเป็นถ้ามันแจกล้าขึ้นมามันรูทสักตัวมันเห็นเห็นมันฉุกเห็นมันทุกข์มันเจ็บกล้าเรียกว่าสติอินทรีย์เจ็กล้า มันเสียาเพราะมันเห็นไม่เป็นมันตื่นรู้ซะการที่สุขจะเป็นสุขทุกข์จะเป็นทุกข์มันเลยตื่นรู้ซะไม่ให้สุขเป็นสุคไม่ให้ทุกข์เป็นทุกข์หัดทให้เห็นบางทีเห็นมันทุกข์อาจจะยิ้มยิ้มภายในใจเมื่อกลูวแล้ว รู้แล้วคิ้ตังเม่รือว่าอันยาอันยาอัน ญ, ญาสืเห็นแล้วรู้แล้วรู้ทั้งหมดที่ลงไปนี่คือทุกข์มันไม่ใช่สุขถ้ามันสุขก็นี่คือสุขมันก็ไม่ใช่ทุกข์เห็นเหมือนแบบนี้เรียกว่าภาวะตื่นรู้ง่าย บสบายๆการปกตนสอนตนไม่ใช่โหมจนเกิดภาวะผิดปกติจนเิดหลบับไม่ใช่แบบนั้นมันจะติดเป็นกันแล้วที่รูนี่ถ้า ถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องก็เก็ดหลับต้องหลับต้องนอนให้เพียงพอต้องกินต้องดื่มให้เพียงพอเอาขวิดเทปีกาลังมาสร้างความตื่นรู้ ก, กาลังเมยไม่มีโครคภัยไข้เจ็บเอามาสร้างภาวะตื่นรู้ ถ้าหักถึงมาถึงว่าวา่าที่เจ็บปวดหรือเจอะเท่าไปแล้วพลังแห่งความเจอะเท่าลันก็มาฝึกแห่งการถือลูกอาจจะลำบากกว่าพลังหนุ่มๆโบราณท่านจังหวาตื่นแต่ดึกศึกแต่หนุ่มบางทีเอาความหนุ่มไปสร้าง กิเลสตันหาความโกรธโลภหลงทำได้ดังที่ใจมันอยากมันคิดก็ทำไปเอาพลังหนุ่มไปทำมันอื่นถ้าพลังหนุ่มมักสร้างการเตืนรู้เนี่ยในช่วงสองสบสี่สิบปีนี่เกิดเป็นพระหารภาคใหม่ตูอานุพุทธประวัติสาวกของพระเจ้า โดยประลุธรรมในชีวิตในช่วงนี้สองสิบสี่สิบห้าสิบปีใช่ไหมยาวพลังหนุ่มแบบสร้างกิริสตัณหาหลาคาแล้วก็จเจริญเดินทางมันตายเป็นคนหลาคาจลลก์ตายเป็นโทสะเฉลต์ตายเป็นโมหะเฉลต์นี่แต่หลงออกหน้าออกตาหลงในสุกหลงในทุกข์หลงใน เป็ต่างๆแต่ว่าทุกข์ก็จังหลงไปหลงอยู่กับมันว่าจุขก็ไปหลงพระโกดก็ไปหลงมีแต่หลงถ้าไม่หลงมลงก็เป็นไปอย่างนี้พระว่าตื่นรู้ซะมันจะเหนือโลกมันไม่รอดโลกเป็นรสชาติของโลกน อ, อกจากการตื่นรู้ไปในกายในสุขในทุกข์คือเรียกว่าเวทนานั่นแล้วแกก้า แต่เวลามาันิดก็ดตื่นรู้ในความคิดความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจเรียกว่าสมุทัยสังขารมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่าหลงในตนนั้นมีสติเห็นมันในความคิดที่ไม่ไตั้งใจกลายเป็นความรู้ภาวะตื่นรู้ คิดที่ได้ตื่นรู้ที่นั่นคิดที่ได้ตื่นรู้ที่นั่นตัวคิดที่ไม่ตั้งใจเป็นอวิชชาไปกลเป็นโุกเป็นทุกข์เพราะความคิดอย่าเาความคิดมาให้เป็นโศกเป็นทุกข์ให้มาเป็นการตื่นรู้อย่างนี้อะฝึกตนสอนตนถ้าไม่ฝึกตรงนี้นะ ก็ก็ไม่มีทางที่จะไปฝึกตรงนั้นก่อนเรามีชีวิตเพมีทุกข์ก่อนคิดเป็นความทุกข์เพราะความคิดกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะความคิดเกิดเลตันาเพราะความคิดเกิดโทษเกิดโลภเกิดหลงเพราะความคิดเราความคิดเป็นใหญ่ ไม่ได้มีสติตื่นรู้ในภาวะเช่นนั้นกลายเป็นกรรมไปเลยตัวคิดเป็นบาปที่สุดเป็นกรรมตัวเป็นจมเลยอันดับหนึ่งของของชีวิตเราเป็นบาปอันดับหนึ่งกายเป็นบาปอันดับสองวาจาเป็นบาปอันดับสาม มีสติเท่านั้นที่จะเห็นความคิดไม่ใช่พิธีกรรมอันใดพิธีอันใดมากำกับกับความคิดได้นอกจากสติจะอ้นอนวอนจะกาบอ้าจะบวงสรวงจะวดอะไรก็ตามคาถาโน่นคาถา น, น, าถานี้ไม่มีทางมีแต่สติที่เป็น สติปัฏฐานไม่ใช่สติธรรมดาสติธรรมดาสัติฉานก็มีสติโจนคุ้ยก็มีสติทำชั่วได้สำเร็จไปป้นไปฆ่าคนได้สำเร็จวางแผนได้สำเร็จก็สติธรรมดาจนจับไม่ได้ไล่ไม่ทันสติปัฏฐานเราจะโต้ตโต้ตบทักท่วง เห็นมันมันมันหยอบที่จุดนั้นความคิดเนี่ยเปื่เพื่อนมนากเป็นกรรมมากมืนกับสิ่งที่เปิดเพื่อนในชีวิตของเราเลยเราจะมามีสติเห็นตื่นรู้ในความคิดที่มาได้ตั้งใจนั้นอย่าเข้าไปในความคิ ด, คดเห็นมันไม่เป็นประการมันเรา ก, กับมหาวิชากรรมฐานหาที่ตั้ง อย่าไปนั่งดูความคิดตัวเองไปห้ามไม่ให้มันคิดว่าหยากคิดไม่ใช่แบบนั้นมันคิดอ่ะมันตื่นรู้ได้ประโยชน์จากมันอีกไม่ใช่เป็นการเสียหายถ้าตื่นรู้ไปสู่สภาวะอันใดไม่มีการเสียทั้งว่า ก, การตื่นรู้เนี่ยจะเิญตรงนั้นน่ะใช่ได้มากเท่าใดก็ยิ่งดี แล้วไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้ถ้าเป็นสติทําได้ทุกกรณีสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับกายกับใจทำลายหมดแม้แต่มีตามีหูจมูกลิ้นกายใจมีรูปมีรสมีกลิ่นมีเสียงแต่มีภาวะที่ตือนรูปมีสตินี่เป็นใจท่านั้นกรรมกับตาท่านั้นเป็นสมอรับภูมิใช้ภูมิที่สูงมองเห็นได้ทุกอย่างต่ติดนี่เป็นชัยภูมิของชีวิต ฝึกให้มันชํานาญให้มันลู่รอบๆจากการกําหนดรูป ก, กายไว้ก่อนเอาหยาบหยาบไปก่อนเป็นหลักสูตรเอาสติไปตกกับกายเอากายไปตกกับสติวิธีใดวิธีหนึ่งไม่ใช่จะเป็นอยู่ในรูปแบบนี้เท่านั้นมากมายนอกรูปแบบมีมากมายเก็บตก ช่ยโอกาสไม่ใช่หาโอกาสสติเป็นนักชวยโอกาสคนเกีิดขั้นเป็นคนที่หาโอกาสสติเป็นความขยันช่วยโอกาสในทุกเวลาดาทีวินาทีมันมีมันมีวัตถุุปกรณ์จะไม่เกิดความรู้ได้ในกายที่เร็วยังเป็นเป็นอยู่นี่มีรูป มีน้ำอยู่เนี่ยเรามันเป็นวัสุปกรณ์ให้มันเกิดความรู้สึกตัวอย่าไปผิดอันอื่น <c oughs> ถ้าไม่เช่นนั้นมันจะหลงเป็นใหญ่ <c oughs> มันก็มีจริงๆนะคนเรามันมีบาปมีบุญจริงๆมีเปิดเปชีวิลกายมีนรกมีเดราชาน ในชีวิตของคนเราก็มีสวรรค์มีมรรคผลนิพพานมันมีสมองคิดอะไรก็น่ากว่าสัตว์อย่างอื่นชั่วก็่ช่ ว, ก, ชวกว่าสัตว์อย่างอื่นก็ดีก็ดีประเสริฐกว่าสัตว์อย่างอื่นธรรมชาติเหมือนกันกันกบสัตว์เดินกดธรรมชาติเนื่อที่ธรรมชาติทำได้ดีกว่าสัตว์เดินเอามาทำความดีมีสมอง มีปัญญามีสติที่มันเกิดขึ้นนั่นเพื่อเรามาสร้างภาวะที่รู้เนี่ยพลิกมือขึ้นลู้ได้ทันทีไม่ได้เลี่ยงได้ไม่ได้ใชเลี่ยงด้วยข้าปผอาหารเป็นชีวิตที่เกิดขึ้นมาได้ทันทีภาวะตื่นรู้เนี่ย <c oughs> ชีวิตเร า, าเพื่อกานนี่โดยตรงไนเใช่เพื่ออย่างอื่น เราจะได้ชีวิตตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงที่สุดเมื่อการเกิดเจะเจ็บตายเพราะมันแก่ก้าในตายแก่ก้าในเวทนาในสุขทุกข์แก่ก้าในความคิดตัวเป็นสมุทัยสังขารนูจักมันแล้วคือมันตัวคิดนี่แหละนี่ไม่มีสติเนี่ยก็ไม่เห็นความคิดทำจะเกิดขึ้น อาการที่เกิดขึ้นกับกิจที่มันเป็นธรรมะหลุมไปกิเลสตันาเป็นความโกรธโลภหลงเกิดจากความคิดมันโศกมันทุกข์ในเพราะที่เกิดความคิดมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับเป็นพพเป็นชาติเป็นเต๋อก็ได้ในความคิดน่อยเป็นสัตว์นรกก็ได้เป็นอสุรกายก็ด้เป็นสัตว์นเดชานก็ได้ในความคิดงู ไม่รู้จักไม่อย่ยความคิดตัวเองความทุกข์ต่วแท้เอามาคิดย่อมคิดเรื่องความทุกข์ขณะที่รู้ว่ามันทุกข์อยู่น้ําตาลุ่มน้ําตาไหลอยู่ก็ยังเอามาคิดอยู่ย่อมคิดจอมคิดไม่ใช่ ง, งูอย่างกานประเสริฐที่ตรงไหนเราแค่นี่ความคิดเป็นทุกข์นี่ยแล้ ว, วประเสริฐอะไร ไม่เฉื่ยได้เฉื่อเปรียบความโกรธเพ ร, เพราะความคิดเฉื่อเปรียบความทุกข์เพราะความคิดนี่เท่าที่ไม่มีอะไรมาทําเกิดจากความคิดตัวเองที่มันหลงเพราะไม่รู้ไม่มีสติก็ไปเป็นทั้งหมดทำาห้คิดสุดก็สุขไปต า, าม ค, ความคิดทําห้คิดทุกข์ก็ทุกข์ไปตามความคิด แม้บาทีก็ต้องไปห า, าอย่างอื่นถ้ามันทุกข์หาวิธีแก้กินเหล้าเมายาสูบบุหรีเที่ยวเตะเ ล, ลอรโดนเอาหลงหนังหลงละครงูผีหรือเป่าดินพวกหนังหมูเป็นนิสัยไปเลยมันไม่ยากขนาดนั้นนอนอยู่ในบ้านกับครอบกับผัวกับลูกกับเงียกินข้าวอยู่ด้วยกันทำใจดีด แล้วก็มีสิ่งแวดล่อมดีมีสตเิเป็นบุญจริงจริงบุญที่เป็นบุญจริงจริคือมีสติตื่นรู้เนี่ยเพราะมันเูแ ล, ลรักษาตื่นรู้มันดูแลกายดูแลใจเป็นการดูแลกายดูแลใจมีเสียงไหมฮะ่ค <c oughs> ่อยจะมีเสียงนะ มาดูแลกายใจของเราให้มันคุ้มเนี่ยมันผิดตรงไหนเราจะปล่อยชีวิต ท, ที่เกิดเป็นกายเป็นใจทิ้งหรือเราต้องอาใช้กายใช้ใจนี้อาช่ายสิ่งใดต้องดูแลรักษาเสิ่งนั้นให้มันปลอดภยัยเอามาใช้ได้อาศัยสนองใช้สําเร็จประโยชน์คิดใจสนองใช้จนเป็นประโยชน์ให้เป็นบุญเป็นมากเป็นผลเป็นสวรรค์นิพพาน ไม่ใช่เป็นนั่นเดินเพื่อการนี้โดยตรงชีวิตเราถ้าเรามามีพุทธศาสนามาเอาปรูการมามาถือเป็นการกราบไหว้โูชามาสวดมนต์สวดอะไรอยู่อย่างนี้แค่นี้มันไม่เพียงพอต้องปฏิบัติลงไปแม้แต่สูตรที่เราสวดเป็นเรื่องของเราท่านนั้น ไม่ใช่อ้อนมุกนเลยเป็นเรื่องชีวิตของเราเท่านั้นเอตนาเคอไม่เที่ยงมันอยู่ที่เราสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตัวตนเอตนาไม่ใช่ตัวตนเป็นทุกข์เพราะรูปเอาทุกข์มาเป็นตัวเป็นเอารูปมาเป็นตัวเป็นตนเป็นทุกข์เพราะอาการที่เกิดขึ้นกับรูป ในทุ ก, ก็ยังเป็นตัวเป็นตนบางท่านนี่มันไม่เที่ยงจริงใดไม่เที่ยงเอามาเป็นทุกจะให้ เ, เป็นเที่ยงจริงใดเป็นทุกจะให้เป็นสุขเอาเป็นทุกภคโภทุกเป็นทุกภคโภคไม่เที่ยงัทงทั้งที่มันเกิดอยู่กับเรามาที่ใดก็เป็นทุกทันทีคือว่าทุกเนี่ยย่อมแล้วเลย แค่นี้ก็ยอมเลยยอมความทุกข์ยอมความโกรธความหลงหรอกบานทีชาติขี่มาหรือสิ่งเหล่านี้มันก็เจอเป็นอารมณ์ไม่ใช่จิตเห็นไหมเป็นอารมณ์บาทีทำตามความโกรธ ด, ด่ากาันทะเลาะกันแอกแยกกันบางทีก็เวลาโกรธหายไปเสียใจทีหลังผิดพลาด มันไม่มีตัวเมตต์นมันมาใช่ชีวิตของเราให้ทําเป็นมือเป็นขาเป็นแขนเป็นกําลังให้แก่ความโกรธความโลภความหลงทําได้สําเร็จแทนที่จะมาดูเลกันเป็นสัตสังคมเป็นครอบเป็นครัวเป็นผัวเป็นเมียมาช่วยกันตอนไหนหลงก็ช่วยกันให้รู้เนี่ยเข็นกันให้มันพ้่นไป เรียกว่ายอนขนส่งแล้วใครโกรก็ช่วยกันไม่ใช่ไม่ใช่ตกอกเสียเลยฉันเป็นสหีของแม่ไือครัวเลยเราเป็นเพื่อนชีวิตเนี่ยเป็นทุกเรื่องไดยจะช่วยจนสุดชีวิตโกรธทำไมมันเป็นทุกไม่ถูกต้องปวดร้อนไม่ดีไม่ดี สร้างจัดขึ้นมาวบบนี้ไม่ใช่คนนึงโกรธคนถึงโกรธตามอู้ทั้งสองคนไปเลยคนโกรธที่หลังอาจจะงู้สองเท่าคนที่โกรธก่อนบาทานที่เห็นเขาโกรธมันเรื่องไม่ดีอยู่แล้วมันเป็นบาปไปแล้วยังไปบาปประเพาะไปที่จะช่วยกันแล้วก็มีสองคนมีผัวมีเมียมีพ่อมีแม่มีลูกมีเต้ามีเพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงานสร้างคิดกันไปช่วยกันเถอะนอกจากช่วยคนเราไม่อีอื่นที่ต้องการช่วยเหลืออยู่เม็ดตินเม็ดหินเม็ดทรายแม่นะมากาต้นม้อยทุกคนทำลายมามากแล้วน่าที่จะสร้างสร้างโลก้วยมือหนิ้ว10นิ้วของเราองคือจะปฏิบัติธรรมจริงๆนะไม่ใช่เกิดจากความคิดเหตุผล มีอุดมคติอะไรไม่ใช่ต่อาจา ก, จากชีวิตจริงๆโอ้เดินตามถนนนทางไม่ทําให้อะไรเดือดร้อนไม่ใช่มาทําให้ตัวเองเดือดร้อนมาทําคนเดือดอร้อนเจงเงินวัตถุอื่นเป็นทุกเดือดร้อนเพราะคีวิตของเราจะทำแต่ความดีนี่มาช่วยกันคนไทยมานับหนึ่งจากตัวเราหกสิบกว่าล้านชีวิต หกสิบกว่าล้านคนถ้าตั้งต้นจากหนึ่งคือเราเนี่ยมันก็เป็นไปได้เป็นคนคนเดียวกันเลยทุกคนละความชั่วทุกคนทำความดมีสติก็เป็นคนคนเดียวกันทุกคนก็รู้จักตัวอยู่ทุกคนก็รู้จักตัวอยู่เป็นอันเดียวกันเลยแต่เราหลงคนก็เปลี่ยนอยู่ เวลามันทุกข์เขาก็เปลี่ยนอยู่เขาช่วยตัวเองอยู่พลังแห่งการตะลู่เต็มไปเลยเรียบเลยคนชีวิตเนี่ยศาสนาพระศีลเเยี่ยงไต่ก็มาถึงแล้วทุกคนเป็นคนก็เดียวกันแผ่นดินราบมืนหน้ากองชัยเพราะเหตุนี้มีกายมีสติเป็นการมีสติเป็นในสุขในทุกข์มีสติเป็นในความคิด มีจิตไปในธรรมธรรมที่มันอาการเกิดขึ้นจากกิดเป็นกุศลอกุศลกุศลคืองสงบเป็นบุญไปเห็นอย่าไปหลงอย่าไปติดสุขอกุศลทุกข์ ก, ก็อย่าไปติดจิตตัณหาราคะอาการกตางขวามกัน ความง่วงเม ห, อหอนอนควาเลยสงสัยความคิดฝุ่งสอนงานทิศทิต่างคนก็มีทิศทิแข่งขันกันกูทั้งนั้นกูชอบกูไม่ชอบเอาความชอบสมมติปัญญัติขึ้นมาตัดสินร่วมเกินคนอื่นผมเกินคนอื่นชอบสุบลี ทางไ้าไม่มีโทษก็ยังประสบอยู่คนที่ไม่สูบดีก็เหม็นเห็นเหล่าก็เหม็นก็หนีไม่พ้นคนชั่วไม่มากเห็นเพนที่นี่อยู่ไม่ได้คนหลงแมวน้ําก็ใช่ไม่ได้อากาศก็ใช่ไม่ได้น้ำเดือดก็ใช่ไม่ได้เห น, น, น้านในเบืองในหนองเน่ย ไม่ะนนไม่ใช่มีแมลงที่กินได้เหมือนสมัยสี่สิบห้าสิบปีสามสิบปีมาสี่สิบปีมานนี้อะไรก็สูนเสียหมดเลยคนไม่มีคุณภาพให้มีคุณธรรม หลงไปการจนจะทําให้โลกไม่มีที่อยู่อาศัยเราเราจึงจําเป็นมา ก, มากเวลานี้ต้องพาคันมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมคือมีสติการตื่นรู้เนี่ยเท่านั้นตั้งต้นจากตัวนี้เท่านั้นไม่ใช่มีพิธี อ, อันเดินที่จะเห็นกายเห็นเวทนาให้จิตตห็นธรรคือสติปัฏฐานเท่านั้น อ่าอื่นเราไม่รู้นะเคยทามาแล้วกรรมฐานหลายแบบแต่มาเจอกรรมฐานแบบหลวงพ่อเทียนสอนเนี่ยมันทันทีมันตรงๆมือก็มีอยู่พลิกมือขึ้นก็รู้ทันทียกมือขึ้นก็รู้ทันทีไม่ได้ลอคอยเลยไปถึงภาวะที่รู้ทันทีไม่มีใครไม่รู้ เป็นสากลสติเป็นสากลไม่เป็นของใครของชาติใดภาษาใดนาทีใดชาติใดเป็นชวาวะที่รู้สึกเหมือนกันหมดเรียกว่าสากลแห่งธรรมลองรู้สึกกรรมฐานสติปัฏฐานแบบสัมปช้าแบบพระ แยกออกมาจากสติปัฏฐานสี่มันมีหลายบับพภะอาณามัพภะจิตบับพภะกายบับพภะสำปัญชามบพัพภะเห็มันทนันจากบัพภะสัพชัญญะบับพภะคือรูปสิบตัวมีสติสัำปัญญะกำหนดรูปให้มันไปตามความรูปสิบสี่รูปแต่ละรูปมี หางกันม่เกินวินาทีมันจัดเจริญเติบโตได้ง่าได้วัววินาทีละลูกวินาทีละลูกให้ไปสวกันเถอะนานหรือเกินก็เรานับถือศาสนาพุทธศาสนามาเนี่ยพยายามเข้าไปถึงตรงนี้เถิดพระเจ้าผูบ้บาดขึ้นก็เพราะเหตุนี้ กู้แขนเข้ารู้สึกเหยื่อแขนออกรู้สึกในวันแผ่นั้นกระปันตัดทะลุเนี่ยไม่มีหนังสือตําราอ่านเลยผู้เขนเข้ารู้สึกเหยื่อแขนออกรู้สึกเวลาอที่มันคิดไปรู้สึกตัวเหินหมดคิดถึงเพิ่มพาราหวนกลับมารู้สึกตัว คิดถึงพระราชสมบัติทรัพย์สินแสดงขานกลับมาลูศึกตัวคิดถึงประชาชนและดูกลับมาลูสึกตัววันทีทํำท่าจะเก็บเก็บผู้ไหนอเป็นร้อนเป็นหนาวกลัวจะตายกลับมาลูสึกตัวมีได้นะนั่งทํางานหนักหนาก็จะเก็บปวดบ้างกลัวตายบ้างแต่ไม่ชีเดินจงกรมจนปวดกระดูกมนาะ อย่าให้หหมเกินไปนะให้พอดีพอดีหมเกินไปก็ใช่ไม่คดีรูปธรรมนะให้มันพอดีกำลังของเรากับสติพอดีสติไม่ใช่โหมรีดเรงงานไม่ใช่แบบนั้นนี่เราจึงมาึกตนสอนตนกันมันทันใจ กรรมฐานแบบสัมปชัญญะบัพพะมีสติปายนกายตลอดเวลาอากายเป็นเป็นอุปกรผิดถ้าเกิดความรู้สึกตัวมันก็ทําได้นอกจากกายจากกายก็เยอะแยะไปเลยพิบตาก็เป็นการเคลื่อนไหวหายใจก็เป็นการเคลื่อนไหวเด็กนิ้วมือเล่นๆก็เป็นการเคลื่อนไหว ในการกรำหนดรูดในการรูกำหนดรูด้ในการรูเติร์นรูตอนนี้นะเราจะมีโอกาสเต็มที่ละสิทธิไม่ เ, เพืรอเฉลิมสูจกันดูขอให้เที่นี่เป็นเวทีเป็นสนามฝึกพออยู่กันได้ไม่ฟุ่งพฟืกเกินไปไม่ผุดเพลิงกินปาง ให้ใช้ชีวิตธรรมดาธรรมลาให้เรียบง่ายเอาใจเป็นสิ่งชีวิตเฉยเมินตื่นลูกไปก็ง่ายไปละเป็นบุ ญ, บญเป็นศีลมาทำบุญมาส้มมาปกตนสอนตนเราวันถูก รอยสุกอยทุกรอยโกดรอยแค้นรอยได้ลยเฉียมามากมาซ่อมอย่าให้มีรอยมันหลงกับลูกชอบแล้วเหมือนรถมือสองตกชนมามากบางทีไม่แผยลักแผ้โกดแผ้สุกแผ้ทุก มาเา้าอูะ่ะคือมาลู้มาลู้นี่ซ่อมขึ้นมาต่วาที่เตือนลู้เนี่ยมันซ่อมได้เรียบเลยหายหมดมีแต่ภาวะที่ลู้เท่านั้นก็เหนือโลกกว่าเลยภาวะที่ลู้สิบตัวที่เห็นไม่เป็นเหมือการเกิดจะเจ็บตายตั้งตน้นจกากตัวนี้ ตั้งต้นก็คือสติกลางกลางคือสติที่สุดก็คือสติมีสติแล้วแล้ะอยู่พ ร, ระเจ้าปะรณิพานที่ตรงนี้เรามาดูประวัติที่ได้จากพระนุทัศนนั้นยังอยู่ในที่ประทับของพระเจ้าในอาพาธ ตอนตะเปเรี่ยผ่านใน๋พ่อนนอนุรุทธะใช่มไหมอนุรุทธะเป็นผู้ชำนานเอตัะทะในทางฌานสมบัติข้อจำลอง อ, อ่องพระเจ้าอยู่หน้าที่ใดที่ใดที่ใดทุติยฌานตถาทิยฌาน ปัตตมชาญทุติยชาญตาติยชาญจตุชาญนะหว่างจกตุชาญหรือปัญจาชานเนี่ยฌานที่สี่เี่ีสติแล้วเราอยู่ะล้สุขแล้วทุกแล้วสุขแล้วทั้งสุขแล้วทั้งทุกในสติไม่มีสัญญามปมีอากาศพิงมนเลย พิ้งหมดเลยวางหมดเลย <c oughs> ไม่ใช่ไปอยู่ที่โ น, น่นเหนิยวนี้บางเดี๋ยวนี้บีนาทีนี่หงัดวางสัญญาที่มันเป็นตัวสังขารสัญญาที่มันปรุงแต่งเป็นติดมาอย่างไวิญญาณมันติดเลยมั้งวางลงวิญญาณคือติดสัญญาคือไปย้อมเอาย้อมไปจุ่มอะไรมาง ประจุ ม, จ ม, จ ม, จมจความสุขประจุมความทุกข์ประจุมความลักความชังเอาความลักความชังมาเป็นเรื่องติดมาเป็นเรื่องชีวิตบางลงอากาสันันจาชนะจยจาชนะเดวะสัญญาญาอสตใช่ไม <c oughs> ดิน้นีดินไม่มีว่าามดมีจิตบริสุทธ์ เนี่อย่าไปอ่อนวอนต่างตงตรงนี้แน่นอนเห็นวิธีง่ายๆปฏิบัติง่ายง่าอะไรเกิดขึ้นจากการจะกใเห็นไม่เป็นโทษจากภาวะที่เป็นทุกข์กรณีทุกข์ก็เห็นทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์พ้นจากความทุกข <holistic. S 1> ์เหตุที่เกิดทุกข์ก็เห็นเหตุ น, นั้นแล้วไม่ทําเหตุตอนแล้วพ้นจากเหตุตอนแล้ว แจ้งแน่นอนนี่รูดคือแจง้งทำให้แจง้งได้แล้วหลงไม่ถูกต้องไม่หลงถูกต้องที่สุดแข้งจริงๆ จ, จะคมขืนให้หลงเป็นปรยิยญาทุ ก, ทกไม่ถูกต้องแก้งกวาไม่ทุกถูกต้องที่สุดเห็นแจง้งจะบังคับให้ทุกไม่ได้ขมขืนไม่ได้ค่มขืนตัวเองไม่ได้ แจ้งแล้วทำแจ้งแล้วมรคือจเจริญดูอยู่เนี่ยมรคคือทำใหม่มากจเจริญให้มากคือภาวะที่ดูคือมีสติตื่นรู้เนี่ยแหละภาวะที่รู้จึกตัวเป็นชาญอย่างยิ่งเป็นชาญสมอ์บัตกลวงรู้จักตัวเ่ยไม่มีอะไรแต่เมื่อแต่ภาวะตื่นรู้คือมรค จเจริญมากๆคือเพราวะว่าที่ดูเนี่ยดูเหน็นไม่เป็นดูมันอยู่เนี่ยมันฉุกก็ดูมันมันทุกก็เห็นมันมันสุกก็เห็นมันไม่เข้าไปเป็นกับมันทุกอย่างก็รวมลงที่นี่สุดท้ายก็อยู่ที่นี่สิน้นสุดชีวิตก็อยู่ที่นี่สุดแผ่นดินก็อยู่ที่ไม่มีอะไรอีกแล้ไปจินพบจินชาติก็อยู่ที่นี่ เหนือกาอเกิดเจ็บเจ็บตายก็อยู่ที่นี่ปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องเล่นๆ น, น, น, นะมีมรรคมีผลเรานับถือพุทธศาสน า, าไม่มีมรรคมีผลไม่รู้ว่าจะเรานับถือไปทำไว้นะชีวิตของเราต้องมีมรรคมีผลหยุดหน่อยเย็นหน่อยไม่มีอะไรอยู่แล้วไม่เป็นอะไรกับอะไรอยู่แล้วสุขก็เป็นกับมนันทุกข์ก็เป็นงรมันก็เป็น แจ่ของส่งระแวงเก็ดเมตตาคุณ่เกิดขึ้นช่วเหลือเชื้อชวนกันไปไม่อแต่พี่จะน้องเห็นอกเห็นใจเป็นคนคนเดียวกันทุกคนก็มีการเกิดเจ็เจ็บตายไปทําให้การเดือดร้อนดําไม่ใครก็เป็นทุกข์กันอยู่หายใจเข้านี่ก็เป็นการเจ็ทุกข์หายใจออกเป็นการเสื็อทุกข์พริบตาก็เจ็ทุกข์กินน้ําลายก็เจอทุกข์ยู่เดินน่นอนการเจ็ทุกข์ เพื่อขึ้นไหวปัญญาเจ็บทุกข์บรรเทาทุกข์เกินถ่ายหลักนอนทาไมเปลี่ยนกันทำไมน่าสงสารคนเราเถ้าเรามารู้อย่างนี้มาช่วยกันกระตือรือร้นช่วยกันการช่วยกันก็นใช่ไม่อุ้มไปข อ, อไปโกดคือช่วยกันอย่าให้กันเป็นทุกข์เกอดูแลเราให้เต็ี่เนี่ยช่วยกันใหเมตตากรนณาเกิดขึ้น มหากรรณาี่คุณบริสุทธิคุ ณ, คณปัญญาที่คุณเกิดขึ้นทำลายทุกข์ความบริสุทธิ์อยต่อกันแล้วกันพึ่งภาสัยกันได้เราก็พึ่งได้พึ่งใจเราได้ใจนี่ไม่เป็นไรล้วถ้าเราไม่ฝึกตนสอนตนมีใจก็พึ่งใจไม่ได้ไม่มั่นใจตัวเองกลมรส้กมดี angkan เ, เป็นขวนัญกลางวันเป็นเตลกลางเกณฑ์ว่าฝันกลางวันวิวชิตขวนอยู่เชนนะั้นต้องฝึกกันเสลาจแวกเรงอ่าเอาละวันนี้ก็สมควรใช้เวลากับพระพร้อมกัน